ไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางอารมณ์คุณจะคิดถึงอะไรเป็นหลักยึดเหนี่ยวด้วยภาวะจิตว้าวุ่นคุณไม่มีทางหวังว่าจะตัดสินใจถูกพูดถูกหรือทำอะไรถูกที่คาดได้คือมีแต่เสียกับเสียหรือต้องมาเสียใจทีหลังกันทั้งนั้นถ้ามีเวลารอให้ใจเย็นลง คุณคงจะรอจังหวะรอความสงบระงับหรือรอเลือกจิตที่ดีพอจะคิดอ่านใจคําพูดคําจาให้เกิดผลที่ต้องการแต่ในความเป็นจริงชั่วชีวิตคนคนหนึ่งมีหลายครั้งหลายโอกาสที่เหมือนจะต้องคิดเดียวนั้นพูดเดียวนั้นหรือตัดสินใจลงมือจัดการเดียวนั้นเลือกที่ดีไม่ได้ว่าจิตพร้อมหรือยังหวังไม่ได้ว่าจะให้เกิดผลดีร้ายแบบไหนแน่ ทางที่ดีที่สุดคือคุณต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางอารมณ์คุณจะคิดถึงอะไรไว้เป็นหลักยึดเหนี่ยวและทางเดียวที่คุณจะรู้ว่าใช้ได้จริงหรือไม่ก็คือทดลองเมื่อต้องลงสนามจริงมิใช่ใช้วิธีนั่งเถียนคิดเองเออเองตอนอารมณ์ดีแต่ละคนมีศรัทธาต่างกันฉะนั้น หลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่ได้ผลจึงต่างกันสำหรับคนที่มีศรัทธานในครูบาอาจารย์เพียงแค่เกิดมโนภาพครูบาอาจารย์ปรากฏในใจไฟร้อนในอกก็วูบดับได้ส่วนคนที่มีแต่ความเชื่อมั่นในตนเองการระลึกถึงความสุขอันเกิดจากการให้ใจยาวก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งหรือถ้าชนานาญพอ ก็อาจระ ง, งับความว้าวุ่นได้สงัดประเด็นสําคัญคือเมื่อใจว้าวุ่นคุณต้องมีหลักแห่งความสงบมาช่วยระ ง, งับเมื่อใจร้อนรนคุณต้องมีหลักแห่งความเย็นมาบรรเทาหากมีครูบาอาจารย์ที่คุณเคยใกล้แล้วสงบเย็นหากคุณให้ใจเป็นจนมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ ก็ถือว่าคุณเป็นพวกต้นทุนสูงมีของดีไวเตสการดของเลวแต่หากไม่มีอะไรอย่างนั้นอยู่ก็ต้องเร่งรู้ตัวว่าเป็นพวกต้นทุนต่ำแล้วเร่งหาความสุขอันเป็นธรรมมาประดิษฐานไว้ในใจเสียก่อนสาย